จะตีบานิมฟัสอัลบานีอิสราอิล فقال له فرعون إني ل ك م ي ل ك م و و ي ا أظنك يا موسى مسحورا ฉันได้เรียนรู้ว่าพระองค์ทรง أ ั่งให้เราทำตาม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 فلا هدي له شدوا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بيك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإلا كان نشور اللهم أنت ربي لا ل ه ا أ ن, ن إ ل ق ت, إ إ ت ل ك وأنا على ع, ع ه د ِ ك و و ع د ِ ك ما استطعت أبوه لك ب, ب ن ِ ع م ت ك ع ل ي ّ و َ ب, ه ب ه إ أ و ب ه بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาศุภะ ที่รักทั้งหลายครับบัลละฮะมดุลิลลาฮ์ก่อนอื่นเรารสุกคตต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอใหเรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาบัลฮมดุลิลลา์ดวเราต้องอ่านดอาตลอดตลอดนะตอนตื่นนอนก็ตื่นตื่นแล้วก็อ่านดัอวอัลลอฮ์ก่อนที่จะลุกขึ้นจากที่นอน บางคนก็ลืมอ่านก็มานึกได้ก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิลาดิอัฮยานาบาดามาอามัตานาไวลัฮินูชูรแปลว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาบรรดาการสารเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮฺอัฮยานาให้เรามีชีวิตแล้วก็ให้เราตาย แล้วก็ให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในวันติยามะให้หัวใจเราเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลานี่หลังนมาศเนี่ยหลังนมาศเนี่ยพอให้สลามเสร็จแล้วต้าองอ่านดธิษาใช่ไหมอัสลามุลลอฮ์อัสลามุลลอฮ์อัสลามุลลอฮ์นี่แปลว่าวอะไรแปลว่าฉันขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์ ฉ, ออนะาาฉันขออภัยโทษต่อล l l a h ถามว่าเรานมัสกาเสร็จใหม่ๆเนี่ยเราทำผิดอะไรเราไม่ทำผิดแต่มีบางท่านเขาอธิบายดีก็บอกว่าฉันขออภัยโทษต่อเละตอนในนมาเนี่ยบางทีใจมันลอยพาตัวมาสู่เราแต่ใจบางทีอยู่ที่ซีคอนใจไปอยู่ที่อื่น มาแต่ตัวแต่ใจไม่ได้มาบางทีไปอยู่ที่รองเท้าหน้ามัสยิดก็เสื้อคู่ใหม่มาเนี่ยจะอยู่หรือจะหายเนี่ยใจไปอยู่ที่อื่นฉะนั้นการกล่าวว่าอัสตัฟเรุลลอห์เนี่ยขอโทษอลัลลอฮ์โมเดกีเนี่ยนำะมาแต่ใจไม่ได้อยู่กับอลัลลอฮ์เลยไปอยู่ที่อื่นอัสตัฟเรุลลอห์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วก็ อ, อ่านดูอาอีกชมอลัลลอฮ์ไปตลอด แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราอ่านสุบฮานัลลอฮแปลว่าอะไรนะมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์อ่านเท่าไรเนี่ยว่าเท่าไรสามสิบสามมีอัลลมาท่านหนึ่งเขียนอธิบายเอาไว้ดีมากนะสุบฮานอัลลอฮเนี่ยแปลว่าอะไรนะมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระผู้อภิบาลคือแด่อัลลอฮ์คืออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีที่ตําหนิ อัลลอฮ์เนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์ครบบริบูรณ์เลยไม่มีนุกซอนไม่มีอะไรข้อตกบกพร่องไม่มีข้อเสียหายไม่มีข้อตําหนิไม่มีไม่มีเลยที่อัลลอฮ์เนี่ยมีแต่ร100้อยเปอร์เซันเปอร์เซนล้านเอร์เซ็นสมบูรณ์หมดถามว่าคนที่กล่าวคํานี้เนี่ยได้อะไรไอ้กล่าวคํานี้เนี่ยมันต้องกล่าวด้วยไม่ใช่ ด้วยปากอย่างเดียวแล้วใจลอยนะมีบางคนเล่าบอกว่าฉ Ann, ันเนี่ยวันนี้อ่านสุนรรณอรรนาสองพันครั้งถ้าคนคนนั้น่ะอ่านด้วยใจไม่ใช่อ่านด้วยปากอย่างเดียวนะอ่านด้วยใจนี่นะคือใจมุ่งนึกถึงอัลลอฮ์ที่ว่าสุวรรณอลรนาสุวรรณอรรนาสุวรรณอรรนาตามสุวรรณอรรนาสุวรรณอรรนย่างนี้เนี่ยเขาใจลอย อ่านไหมอ่านแต่ใจไม่ได้อ่านด้วยอ่านแต่ปากคนที่อ่านนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยปากแล้วใจไม่ได้นึกนี่ยเขาเรียกว่าคนใจลอยทั้งหมดนั่นแหละรอฟิลเหมือนกับไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เท่าไหร่เพราะด้นการอ่านสุบฮานอัลลอฮเนี่ยอย่าอ่านเป็นประเพณีปฏิบัติพระเราทำมาแต่ตั้งแต่อ่านนะมาดเป็นใช่ไหมสุบฮานอัลลอฮนี่ว่าทุกวัน แต่หลายคนส่วนใหญ่นี่อ่านเพราะประเพณีปัจจิบัติแต่ว่าไม่ได้อ่านด้วยใจเท่าไหร่ถ้าอ่านด้วยใจจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คือเรายิ่งชมอลัลลอ์มากขึ้นเท่าใดเช่นชมมัสุิฮานอัลลอฮ์มหาบริสุิ์ยิ่งแด่อัลลอ์แล้วก็อ่านด้วยใจด้วยนะใจมุ่มตงตรงต่ออัลลอ์เนี่ยอลัลลอฮ์จะค่อยๆขจัดข้อบวกร่องของเรา ข้อบวกพ่องเรามีไหมมีเยอะข้อบวกพ่องที่เราเนี่ยเยอะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างใช่ไหมถ้าเราชมอัลลอฮ์สุบฮานาลอัลลอฮ์สุบฮานาลอัลลอฮ์อัญชะชาญดีใหญ่สุบฮานลอัลลอฮ์แล้วก็นึกความหมายไปด้วยสุบฮานลัลลอฮ์เราบวกพ่องอะไรเรานึกสุบฮานาลอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัล ล, ล, ลอฮ์ะจะค่อยๆขจัดข้อบวกพ่องของเราเนี่ย ให้หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปนั้นกากล่าวทาอนี่ดีแต่ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องคิดแบบนี้นะถ้าคิด่รูปอื่นไม่ใช่เหมือนการโพลรา์กล่าวว่าอัลลอัฺอัลลอฮ์นี่อะไรนะยิ่งใหญ่ทีนี้บางครั้งบางคราวเนี่ย ตัวเราเองเนี่ยบางทีทำลายเสบียบางอย่างแล้วก็ตะกำบดเยอะยิงกูแน่กูเก่งกูอย่างนั้นกูอย่างงี้ฉะนั้นหาเราเข้าใจคํานี้นะอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยพอเรากล่าวคํานี้ไปเนี่ยกระจายก็ผูกพันนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยนี่นะกล่าวด้วยใจนะไม่ใชปากอย่างเดียวนะอัลลอฮ์จะค่อยๆลดความตะกำ บ, บุดเยอะยิงจองของอวดดีซ้า สารพัดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่อยๆหมดปฏิญนองนองแล้วนาะ้นการกล่าวสุภาลนร์นี่ดีไม่ดีมากเลยอัลฮัมดุลิลละนี่ก็ดีอัลลอฮฺอักบัตนี่ก็ดีแล้อิลละอิลละดีหมดแต่ต้องเข้าใจและรู้ที่ไปที่มาของมันด้วยโอ้อัลฮัมดุลิลละนะครับอ้าวขอบคุณอัลลอฮฺยังก็ h a ด i ษไอ้ไอ้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช่ไหมเราเจออยู่คําหนึ่งใช่ไหมจ่ะสุบฮานอรอบบีใช่ไหมบบไห ม, ไมีใช่ไหมอ่านอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสุบฮานอรอบบีมีหรือเปล่าผมก็ลืมมาละอยู่ที่ไหนสุบฮานอรอ บ, บีมีอยู่วักหนึ่งมาอยู่ในคูีกุอาเนี่ยอายะที่เก้าสิบสามเนี่ย เอาไว้เอาจะคุณอะรก็บาตุมในซุกรฟเอาารก้ฟิสส์มาวันนู้น์มินลิรุกีค์ค์ถ้าตุนั่งเดลเอานั้นคิดอะไรเยอะเยอะคิดสมกโปกตรงนั้นแหละใช่ไหมก็จะเข้าใจ ค่อยๆขาจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกไปจากตัวของเรานะเอาวันนี้มาถึงอายาที่เก้าสิบเก้านะอวลัมย์รรูอัลลัฮัลลดีขลักัสาวาทิวัลอร์์กาดิร์์นัลาอัยยัขลุกมิสลาห์ม ว่าจะแลุ้ม์ล ج ل الرب في ف أ ว ال ظ ا ل م و ن إلا كفورا ไอ้ย่านี้นี่ก่อนจะอธิบายก็ต้องบอกก่อนว่าอ้ย่านี้ต้องการจะอธิบายอย่างงี้ผู้ที่สงสัยว่าตายแล้วฟื้นอ่ะอ่า คนสงสัยนะเยอะนะประชากรโลกตอนนี้มีเท่าไหร่เจ็ดพันเมื่อวานนี้มีข่าวว่าเจ็ดันห้าร้อยล้านนะอ่าอีกแปดสิบเจ็ดปีจะหมื่นจะมือเป็นเป็นหมื่นกว่าอ่า <c oughs> ก็แน่นอนนี่คนยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคนเกิดมากกว่าคนตายนะยิ่งมีหมอมียามีนู่นมีนี่มันก็ยิ่งยิ่งเพิ่มขึ้น แต่บ้านเราเนี่ยต้องยุบโรงเรียนใช่ไหมรวมโรงเรียนเพราะว่าคุมกำเนือกันใช่ไหมก็เห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ช้าไม่ช้าเลยนะเด็กจะไม่มีมีแต่ผู้ใหญ่แล้วใครจะเรียกย ก, ก็นึกอีก อ, ะอ่ะหัวกลวยแล้วใช่าหมพรา ะ, ะนั้นทั้งหมดเนี่ยเดินตามแผนที่อรรถกำหนดไว้ทั้งหมดนะคนที่สงสัยว่าตายแล้วฟื้นเนี่ย ฟื้นคืนชีพได้อย่างไรอาญะนี้เป็นคำตอบอ่าวะลัมยะเราอันอัลลอฮ์ที่ خلق السماء والارض พวกเขาไม่เห็นดอกหรือไม่เคยคิดไม่เคยมองไม่คยพิจารณาบ้างหรือรอดถา ม, มเคยมองบ้างไหม่ะเคยพิจารณาไม่เคยสังเกตไหม อัน ال ัลลอฮฺเลยีแท้จริงอัลลอเนี่ยเป็นผู้ทรง خ ل กอ่าเป็นผู้ทรงสร้างอัลสามาวถทิชั้นฟ้าทั้งหลายวันอัและแผ่นดิน a r t h เนี่ยภาษาอังกฤษภาษาอับเขียนเหมือนกันเลย earth earth เ, เหมือนกันเอาไปจากใครเอาไปจากกุรานนี่แหละนะ เ็าล้ก็สมาเวติวัลลุแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินขนาดว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่มันไม่ใช่เล็กนะแผ่นดินและชั้นฟ้าเนี่ยไม่ใช่เล็กนะมันใหญ่นะแล้วก็มนุษย์นะขนาดไหนตัวขนาดไหนดงนั้นถ้ามองถึงเอาเอาเอ า, เอาความใหญ่เนี่ยนะ แผ่นดินนี่มันใหญ่ชั้นฟ้านี่ก็ใหญ่เยอะมนุษย์เล็กนิดเดียวอาศัยอยู่บนหน้าแผ่นดินไปนี้และอาศัยใต้ชั้นฟ้านี่นะอัลลอฮ์จึงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินให้กอดีรุน่นอัลลอฮมีความสามารถอลลอ์มีความสามารถที่จะอัลลลคาะอลอฮ์อัลลอฮมีความสามารถที่จะอลลอัมคาระอัลลออมคสาทฮ์มรทะอ์ีรง่อ อ, อาตหรือออานุภาพ มีความสามารถที่จะสร้างเยี่ยงพวกเขาอัลลอฮฺจะมีความสามารถนักนี้อัลลอเล่าเองฉันมีความสามารถนะที่จะสร้างอะไรอะไรอะไรมากกว่านี้ก็ได้เยี่ยงเหมือนกับเนี่ยฉันฟ้าและแผ่นดินนี่แหละว่จะอะไรล่ฮุมอาจัลลัลรอบฟและพระองค์ทรงกำหนดเวลาหนึ่งสำหรับพวกเขา เนี่ยมนุษย์ที่อยู่บนโลกดุนยาไป น, นี้เนี่ยนะอัลลอฮ์กำหนดทุกคนต้องตายวะจะอะล่าฮุมอาจัลันอาจาลเนี่ยแปลว่าอะไรนะวันหมดอายุแล้วเดี๋ยวนี้เรายิ่งเข้าใจอะไรมากขึ้นง่ายๆนะมีอะไรบ้างไมบนโลกดุนยาไป น, นี้ที่อยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุมีไหมไม่มีครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรอตายใช่หรือไม่ใช่ ไอเราเนี่รอตายนะทุกคนเนี่ยนึกตลอดเวลาฉันต้องตายนักเรียนอาจจะเป็นเด็กอยู่ไม่ได้ฉันต้องอยู่อีกนานแต่ทั้งหมดมีวันตายทั้งหมดบ้านก็รอวันพังใช่หรือไม่ใช่ใชอา้าวแพะแกะวัวควายที่เลี้ยงอยู่เนี่ยก็รอวันเชื่อทั้งนั้นนหละไม่มีอะไรถาวรเลยมีวัน มีวันเกิดมีวันผลิตและมีวันหมดอายุแม้แต่อาหารที่เราทานอยู่ก็เหมือนกันอ๋อเห็นในกล่องผลิตตนนี้หมดอายุหลังจากนี้อย่าทานไป ม, มีคุณภาพโอ้เห็นไหมอัลลอฮฺกาหนดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอายุมีวันหมดอายุมละรอยบัฟีละรอยบัฟีแปลว่าใด ไ, ไม่มีการสงสัยใดๆในนั้น และจริงแล้ววันนี้ก็คอ่คอยเห็นเห็นทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยล่ารอยบฟัฟีไม่มีคำว่าสมสัยอันนี้ต้องยอมรับฉะนั้นตายแล้วฟื้นเนี่ยมันของธรรมดาเรื่องง่ายๆขนาดแผ่นดินฉันยังสร้างได้ฟ้าก็สร้างได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างฉันกำหน ด, ดเอาไว้ที่มั น, มนแรงหรือเปล่าเปิดนี่ดัง ฟาบาอัลลอฮิมุณฟบาฟาบาเป็นพวาปฏิเสธแต่พวกปฏิเสธใครปฏิเสธนะอัลลอฮลิมอลอิลิมคนอาธรรมคนที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยเขาเรียกว่าคนออลิมนี่ภาษากุรานนะคนออลิมคนอาธรรมและคนอาธรรมนะดีอ่ะอัลลอฮ์ตำหนินะ คนที่ไม่เชื่อว่าวันกียรมิมีจริงวันสิ้นโลกมีจริงวันหมดอายุมีจริงคนเหล่านั้นเดชชื่อว่าะรลิมคนอธรรมคนที่ชีริกต่ออลัลลอฮ์ก็เรียกว่าะรลิมเหมือนกันนะละตูชริกบิลละท่านทั้งหลายว่าไม่ยุชริกบิละะดดละแล้วก็ละมานับซะใครที่ตั้งภาคี ก, กับอลัลลอฮ์เขากําลังอาธรรมต่อ ต, ตัวของเขาเองดังนั้นคนที่ปฏิเสธ ว่าตายแล้วไม่ได้ฟื้นอัลลอฮไม่มีความสามารถที่จะให้มีชีวิตฟื้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนนั้นเป็นคนฟอเลมเป็นคนอาธรรมกับตัวเองแต่คนสุดท้ายก็ต้องยอมรับแค่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็งงแล้วอา้าวนี่ฟื้นจริ ง, ร ง, รงๆเนี่ยอย่า <laughs> งนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นฟาอับบลิมูนแต่พวกอาธรรมนั้นได้ปฏิเสธอิลลฟูรไม่ยอมรับ นอกจากการไม่ศรัทธาในระคุณกูณฟูสเนี่ยแปลว่าไม่ไม่ไม่ศรัทธาหรือเนรคุณอาจานอธิบายง่ายๆก็คือว่าทุกคนตายแล้วต้องฟื้นให้สังเกตง่ายๆนะ่มนุษย์เนี่ยกับคนเนี่ยนะกับชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยใครสร้างยากมากง่ายกว่ากันนะคุณอ่านอนุภากอื่นครับในตับเซธอิมนูเกซินอธิบายอย่างไ้การให้มนุษย์ฟืน้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ในภาษาคุรานก็เรียกว่าอัษฎง่ายมากนะครับอัลลอ์จะให้มนุษย์เนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะหลังจากตายไปแล้วเนี่ยง่ายมากอดูคุรานนะครับละขุสมาวาทวัลอฮฺดอักบรุมินขลกินนสอัลลออธิบานะครับในสุรานในราฟิดอายะที่สี่นะครับบอกว่าไงนะ การสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นใหญ่กว่าการสร้างมนุษย์ในอายะอื่นนะอธิบายนะในตบทศิอุนุกซิรอธิบายไว้วลากินอักซารอนนาเลายาเลมูนแต่ว่ามนุษย์ส่วนมากนั้นไม่รู้คือมันจินตนาการไม่ได้นะมันเกินความสามารถของมนุษย์แต่ว่านาบีก็อธิบายไว้สังเกตง่ายๆอย่างก็แผ่นดินที่แห้งแล้งเนี่ยใช่มล่ะ เวลาฝนตกลงมาเนี่ยไม่มีต้นมากรากไม้ใบยงใบหญ้าไม่ขึ้นพอฝนตกลงมาปั๊บขึ้นมันขึ้นได้ยังไงก็ขอให้มองตรงนี้นะเ ป, น เ, ปนเป็นเรื่องพิจารณาอีกอายาหนึ่งละได้กล่าวบอกว่าอาวลามยาราอันนั่นแหลที่สร้ า, ส า, าอสวรริ์แลอโลอัลลอฮ พวกคุณไม่เคยพิจารณาไม่เคยวิเคราะห์ว่าแท้จริงอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยนะสร้างมายัางไงวะละมยะยี่บิขอลกีหินนะอัลลอฮ์มีทรงเหนื่อยยะยีย่เนี่ยแปลว่าไม่เหนื่อยสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ได้เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยนะบิควดีรินอาลาอายูฮีย์ยเมาต และอัลลอฮ์ทรงมีความสามารถที่จะฟื้นชีวิตแก่ที่ตายน บ, บีอิสาเป็นน้องเคยรู้ใั้หม่าอจิดีายของน บ, บีอิสาเนี่ยคือพูดกับคนตายได้ะจำได้ไรมมีอยู่เรื่องหนึ่งน บ, บีมูซาเนี่ยในสมัยน บ, บีมูซามีคนฆ่าญาติพี่น้องเขาตายมีคนฆ่าคนตายเนี่ยแบบเอกยุทธนี่แหละสิถูกฆ่าเนี่ยก็จำได้แล้วใช่มละ ในสมัยนุ่นนบีมูซาก็มีการฆ่ากันเกิดขึ้นแล้วก็ไปหานาบีมูซาวัดไปตามตัวมาสิถ้าเป็นนบีจริงไปตามตัวมาอัลลอฮฺขอกัดอัลลอฮวะฮีบอกนบีมูซาบอกให้ไปเชื่อดูว่ไปเชื่อดูว่าสั่งกัพวกยิวนะให้ไปเชื่อดูวแล้วก็เอาชิ้นส่วนของวัวเนี่ยอาจจะเป็นส่วนไหนของร่างกายไม่ได้บอกเอาไว้แต่บางคนว่าเอาลิ้นของมันเนี่ยไปอะไร น, นะ ไปตีที่ร่างของคนตายคนตายก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วก็ตายต่อเขาทำกันมีมีมาแล้วในในอดีตในในในสมัยนบีมูซาอะไรที่สดงแตะนั้นการให้คนคนหนึ่งที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอานะครับแล้วในคูอานายะอืน่นมีอีก ว่าอันนาฮูยุฮยิลมะฮุตาในสุรฮัจแท้จริงอัลลอน่ยสามารถทำให้คนที่ตายเนี่ฟื้นได้ว่าอันอัลลอฮ์ฮะย่าปราซูมัมฟิลกูบูดและอัลลอฮจะให้คนที่ตายเนยฟื้นขึ้นมาจากกูโบของเขาจากสุสารของเขาก็ดูต่อไปนะและกูโบตรงนี้มีด้วยเด็ของเคสเนี่ย ก, ก็ดนะูในวันเกียงมาก อ่ะคอยดูกันต่อไปนะครับขึ้นฟื้นไหมฟื้นแน่ๆ น, นะครับอีกอายาหนึ่งอินนามาอัมรูหูอิละอัรอดชัยอันอายะกูละละหูกุ้มไฟะกูนกิจการของพระองค์ถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้มีสิ่งหนึ่งนี่นะอัลลอฮ์เพียงแต่กล่าวว่ากุ้นกุนจงเป็นไฟะกูนมันจะค่อยๆเป็นขึ้นมาอย่างเี้ย ในอัลกุรอานอย่างน้อยมีสามสี่อายะพูดถึงความสามารถของอัลลอฮ์ที่จะให้สิ่งที่ตายไปแล้วนั้นฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่ลารอยบาฟีไม่ต้องไปสงสัยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธคนที่ส่วนใหญ่ปฏิเสธนะยิ่งในยุโรปอเมริกานี่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยว่าตายแล้วฟื้นแต่ตายแล้วตายเลยนะครับแต่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ตัว น, นั้นแหละ วันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันเหมือนกันนะที่เชื่อว่าตายแล้วตองฟืนคนที่อ่านกุมอีรน์เนี่ยต้องเชื่อแบบนี้นะครับอา้าวต่อมาอายาที่หนึ่งรอยอายาเนี้พูดถึงเรื่องคลังของอัลลอฮ์นะครั้งของอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าครั้งเห็นความเมตตามีครั้งอยู่สองอย่างนะคลังที่เก็บรับซับสมบัติของอัลลอฮ์ บุญชันฟ้าเต็มไปหมดแล้วก็ครางแข่งความเมตตานะความเมตตาของอัลลอ์นี่นะเยอะมากถ้าจะนับเนี่ยมัดของอัลลอ์เนี่ยนับไม่ท่วนอยู่แล้วนะครับอามาดูกุรานกุลเลาอันตุมตัมลิกูนะข้อในรอฮมาติรับบี จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ใ, ให้นาบีเนี่ยมาตับลีกมาสอนมาอธิบายมาด่าว่าเล่าอันตุ่มถ้าหากพวกท่านถ้าหากพวกท่านตัมลีกูนะแปลว่าครอบครองหรือว่าควบคุมหรือเป็นเจ้าของอ่าแต่หากมนุษย์นี่นะมีอัลลอฮ์ให้เป็นเจ้าของ หรือให้ควบคุมหรือให้ครอบครองคอา a ินคอ za'in แตลว่าคลังคลังแห่งทรัพย์สมบัติต้องการจะพูดว่ามนุษย์เนี่ยขี้เหนียวนิสัยเดิมของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยขี้เหนียวถามว่าอัลลอฮ์ชมหรือว่าลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์ตำหนิมนุษย์นะแต่เล่าให้ฟังว่ามนุษย์เนี่ย มันต้องขัดเกลจิตใจตลอดเวลาถ้าไม่ขัดเกลาถั่วใจแล้วเนี่ยจะจะหนีขี้เหนียวเห็นแต่ตัวนะอัลล์เล่าว่ามฮัมหมัดเอย๋ยจงสอนจงบอกจงได้ว่ากับประชาชนถ้าหากมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาได้ครอบครองหรือควบคุมหรือเป็นเจ้าของขอซาอินะราะห์มัติรับบีคลันทั้งหลายแห่ง พระเมตตาของพระผู้อภิบาลของฉันรับบีนแปลว่าพระผู้อภิบาลรหมาแปลว่าความเมตตาความเมตตาเนี่ยมันเกิดจากในใจใช่ใช่หรือไม่ใช่ความเมตตาอยู่ในใจใช่ไหมใช่หละอีอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่นะความเมตตาเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์ ควบคุมความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยนะมนุษย์จะทําไงครับอิจลั ล, ลอัมซักตุมเมื่อนั้นพวกท่านก็จะขี้เหนียวนวงเหนียวไม่ให้ไม่บริจาคไม่ยกให้ใครไม่ให้ใครทั้งนะนั้นแหละนี่นิสัยเดิมๆของมนุษย์พูดงา่ดายก็สันดานสันดานมนุษย์นะ่ะเดิมๆเป็นอย่างนี้แหละขี้เหนียวไม่ให้ใคร ใช่ไหมที่ไม่ให้น่ะเพราะอะไรขอศีลตัลอิมลาเพราะกลัวการบริจาครู้ว่าการบริจาคทำไมเพราะบริจาคเด่นจะทําให้หมดไปนี่ไงไนิสัยเดิมๆของมนุษย์ถังว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีครับในคัมภีร์กุณอ่านอญญายะอื่นอธิบายอย่างนี้ มนุษย์เนี่ยเป็นอย่า ง, งนะอลออลอนี้นะอโลตัมหนินะอินนัอนานาลอินซานาโคลิกฮาลูอาแท้จริงมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาเนี่ยเป็นคนใจร้อนในอายะอื่นนะมนุษย์เนี่ยอโลอสร้างมาเนี่ยใจร้อนทุกคนนบีก็พูดเอาไว้คำว่าใจร้อนเนี่ยมีอยู่สี่ข้อเนี่ยให้ใจร้อนไปเถอะดีอะไรบ้างหนึ่งเวลาแขกมาบ้านให้รีบจัดอาหารจัด เคื่องดื่มมาบริการแขกสองให้รีบเลยนะเวลามีคนตายเกิดขึ้นในบ้านสามเมื่อจะใช้หนี้รับให้รีบใช้ไปแต่จุบันที่เราก็ลบ <c oughs> เห็นหน้าไอาย้ยบลบก็ <c oughs> ไปกู้เข้าไว้เนี่ <c oughs> นี่สแล้วนะห้าไอ้ี่เอะไรนะเวลาคนตายสองเวลามีแขกสมเวลามีหนี้4 เวลาทำผิดให้รีบเตบาบ้าตัวต่ออัลลอะ์ยังมีอีกคนหนึ่งอธิบายดีนะห้ารายการก็คือเวลาอะไรนะผู้หญิงลูกเราเนะี่ยมีคู่ครองเนี่ยให้รีบแต่งงานไปเลยมีอยู่ห้ารายการบางคนว่าสีราารนะส่รายการตกลงว่าไอรีบนะมีแค่สี่รายการห้ารายการนอกนั้นนะ่ะ รีบๆเนี่ยไม่ใช่ของดีทั้งหมดเลยเป็นของใส่ตอนทั้งหมดฉะนั้นอัลลอฮฺตัมฤกษ์นะอินนัลอินซาณะโคลีกอฮารูอ่าแท้จริงมนุษย์นั้นถูกสร้างมาเนี่ยใจร้อนอิดามาสหุชัดโรยารูอ่าเมื่อเวลาเขาได้รับความลำบากนิสัยก็คือโวยวายอ่าใช่เลยไม่ใช่โดยเฉพาะคนไม่มีศาสนาเนี่ยโวยวายทั้งนั้นแหละนะ ว่าอิรามัสฮูรค่อยอยมานูอาเมื่อเวลาเขาได้รับเงินรับทองของดีๆว่า น, นี่นะมานูอาแปลว่าขี้เหนียวยกเว้นอิลลัลมูซลลีนอกจากคนที่นมาดเท่านั้นเองจะไม่ตรณีจะไม่ขี้เหนียวจะไม่ใจน้อยมีของก็อยากจะนึกถึงคนอื่อยากจะให้อยากจะบริจาคคนที่นมาดอย่างเดียวอลัลลอฮ์ยกเว้นท่านคนที่นมาด ให้เวลาแต่ที่คนนะหมาก็ต้องคนมีาศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะเอากุรานอนยายนี้ต้องการจะบอกว่านิสัยเดิมๆของมนุษย์เนี่ยกลัวการบริจาคนี่อัลลอฮ์พูดไปคณามพีกุรานนะเพราะฉะนั้นวกาลอินซานกตูรอแท้จริงและมนุษย์นั้นเป็นคนใจแคบเสมอ <laughs> อัลลอฮฺบอกว่านี่ยอัลลอฮฺเล่าสันดานสันดานของมนุษย์เป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ฉะนั้นเราอย่าเดินตามอายานี้ให้รู้ว่าเนี่ยมนุษย์อัลลอฮฺสร้างมาแบบนี้จะนี้ขี้เนิ้วขนาดให้แล้วไปเอากลาับวก็ยังมีอัลลอฮฺบอกอย่างนี้เอยอยวลาให้แล้วนะห้ามเอากลับพอเอากลับเนี่ยให้นึกถึงอะไรสุนัข ที่มันกินไปแล้วที่มันอาเจียนไปแล้วแล้วมันกินอาเจียนของมันเข้าไปนั่นมันไม่ต่างอะไรกับสุนัขที่ให้แล้วแล้วก็แต่ถ้าไม่ใจไม่เข้าใจศาสนานะก็จะทำตามอารมณ์ทีนี้นะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดทีนี้อัลลอฮ์อธิบายอีกนะ า น, นาบีมุ h ในะดษของอิมามบุ a r i m m พูดอย่างนี้ยดุลมือของอัลลอฮ์คำว่ามืออัลลอ์น่ะอุลมามอธิบายว่าคลังของ Allah. อัลลอคลัขงของอัลลอ์เนี่ยมัลเต็มตลอดเวลาอัลลอ์เนี่ยมีคังเต็มไปหมดลยรีดูฮานฟากตันบริจาคเท่าไรไม่ยุบให้กับมนุษย์ เท่าไรเท่าไรเท่าไรไม่ยุบของที่เราขอกับของที่เราไม่ขอเนี่ยเอาลให้ของที่เราขอขอไม่กี่อย่างนะอ้าวส่วนใหญ่ใจเราขออะไรขอบ้านขอรถขอเมียผู้หญิงก็ขอสามีขอผัวนะแล้วขอที่ดิน มีไม่กี่รายการเราที่ขอไอ้ของที่ไม่ได้ขอเนี่ยเอาลอ์ให้นะเราไม่ค่อยได้คิดยังกระตาสองข้างเนี่ยเคยขอมาหูสองข้างไม่เคยขอปากไม่เคยขอแต่เอาลอร์ให้เคยนึกบ้างไหมว่าในครั้งของอัลลอฮ์เนี่ยจะมีลูกสะโคนเนี่ยอัลลอฮ์จะให้หูหรือเปาอัลลอจะให้ตาหรือเปล่าอัลลอฮ์จะให้ฟริมฝีปากสองงานหรือเปล่าลิ้นหรือเปล่าต้องนึกครับ เพราะฉะนั้นยะดุลลอครังของอัลลอ์นั้นมัลาเต็มตลอดลาย่าดุูฮานะฟะกะตันบริจาคให้กับมนุษย์มนุษย์มนุษย์ทั้งกลางวันและกลางคืนให้เท่าไรไม่ยุบอะไรไอ้ตุ้มพวกท่านเคยสังเกตไหมละ่ะอัลฟากะมูซูคอลกสมาวาติวลอัตั้งแต่อัลลอ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมาเนี่ยอัลลอ์ให้มาตลอดเนี่ยเคยยุบบ้างไหมละ่ะ มีมนุษย์คนไหนบ้างอ่ะที่อัลลอฮให้มาอย่างอย่างอย่างร่างกายเยนะี่ยนั่นจะให้เห็นสักทีหนึง่งที่ให้เห็นนะเพื่อให้หมอจัดการเอารู้จัดการดิฉันให้ตาบอดมาคนเนี้ยเอาประทานให้ตาดีมอือให้มือมาส1บเอดนิ้วเอาทำไงก็ต้องไปตัดเ อ, อะเพื่อให้การแพทย์ได้เจริญ แต่ไม่ใช่ไม่ใะว่าให้ให้ให้น้อยไปเพราะว่าครั้งอลัลลอฮ์หมดไม่ใช่อลัลลอ์ให้ตะเลมเต็มเต็มตลอดเวลาไม่มีคำว่ายุคตั้งแต่สร้างชั้นฟ้ามาวันนี้โลกใบนี้มีกี่วันมาแล้วให้สังเกตดูนะฟะอินนะฮูลัมยักดิมาฟียามีนิฮีแล้วก็ครั้งของอลัลลอ์นั้นไม่ยุบมีแต่เต็มเต็มเต็มเต็มตลอดเวลา อายานีต้องการจะอธิบายอีกเหมือนกันเมื่อท่านมีริสกีของ Allah มีรัมมาของ Allah มีริสกีมีเงินมีเงินต้องนึกถึงสี่ข้อนะหนึ่งคิดถึงรายจากาศให้จากาศอย่างเดียวก็ยังไม่พอทำาไรอีกสอดก่อสองอย่างก็ยังไม่พอฮัดีีะอ่าให้ของขวัญกันให้กับ พ่อบางแม่บางญาติพี่น้องเพื่อนฟูงใช่ไหมแล้วก็อีกข้อหนึ่งอะไรนะวักกับอเอาซื้อรถหนึ่งคันไปมอบให้กับมสัสยิดให้กับโรงเรียนให้กับมูลนิธิเอามาไปฉันมีเงินฉันบริจาคนี่สข้อเนี่ยต้องนึกตลอดเวลาฉะนั้นาหากเราเนี่ได้มีแล้ว ได้มีโอกาสครอบครองทรัพย์สมบัติริสกีซึ่งเป็นรักมากที่อัลลอ์ให้มาแก่ใครก็ตามไม่เท่ากันบางคนมีมากบางคนมีน้อยยิ่งใจเท่าไรรู้ไหมอัลลอยิ่งเพิ่มคำว่าเพิ่มเนี่ยอย่าคิดเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะเพิ่มหมายถึงเพิ่มสติปัญญาเพิ่มอีมานเพิ่มความรู้เพิ่มความอัคลากดีๆที่อัลลอ์ให้กับเราเราไม่รู้กังนั้นนี่อมัดเนี่ย ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอย่าขี้เหนียวดังนั้นคนที่จะไม่ขี้เหนียวเนี่ยหมาดของอัลลอฮ์ก็คือคนที่มีศาสนาตอนนั้นแหละคนที่อ่านอัลกุรอานนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงนบีนึกถึงสัฮ า, าบานบีอัลลอฮุอะลกุรตนึกถึงท่านใครอบูบากัตอะนบีขอบริจาคเรีอาไเนี่ยท่านให้หมดเลยนบีเคยถามว่าท่านนบูบกัตมีอะไรเหลือที่บ้านท่าน คำตอบก็คือมีอัลลอ์และรอซูนตอนนั้นอาไปต้องกับอายาที่ห น, น 101. ึ่งหนึ่งนะครับวะลาปดาอัตยนมูซาิสอายาติมบนาตนี่กำลังคุยเรื่องนบีมูฮัมมัดอัลลอ์ไปนึกเรื่องนบีมูซาเห็นหรือยังอะ ไม่ให้สติปัญญาเราเนี่ยอยู่นิ่งๆคิดอรอคิดย้อนไปอีกกี่พันปีอ่ะนเบียบรมูซาน่ะใช่ไหมกำลังพูดเรบ่รนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์เอ่ยนบีมูซาแลยที่สลามนึกถึงประวัติของนบีมูซาอาลัลลอฮ์สอนอย่างนี้วันาก็ละอาใจนาและโดยแน่นอนยิ่งเราได้ให้อาไตานาเราได้ประทานเราได้ให้แก่มูซา มูซาหมายถึงน บ, บีมูซาอะลัยฮิสลามนบีมูซานี่ก่อนน บ, บีอีสานะแต่น บ, บีอีสาเนี่ยก่อนน บ, บีมุฮัมมัดน ะ, ะต้องนึกเนี่ยมาหลายพันปีมาแล้วนะทําไมให้นึกอ่ะให้สติปัญญาเราได้คิดเยอะๆอ่าทีนี้อัลลอฮฺให้กันนบนบีมูซานะักกี่ข้อเทศายา9สัญญาเกประการสัญญาเกประการ อัลลอฮฺอัลลอบะฮอัลฮมิาห์ทำให้เราต้องนึกประวัติศาสตร์ต้องอา่านประวัติศาสตร์แล้ว9ประการนั่นอ่ะใบยีนาตินชัดแจ้งเลยนะครับ9ประการชัดแจ้งมีอะไรบ้าง 9, 9ประการมีอะไรบ้างยูในคัมภีร์อกุรอานทั้งหมดจุดในสุร้ออารอฟอายาที่ไปเปิดดูเองก็แล้วกันนะอธิบายเลย9ประการมีอะไรบ้างหนึ่ง ให้มาต่อสู้กับฟาโรนะให้มาต่อสู้กับฟรอนนนบีมูซาเนี่ยหนึ่งนบีมูซามีอาซอมีไม้อะไรนะไม้ท้าอ่าโยนไม้ท้าเป็นอะไรเป็นงูอันที่สองมือเขาอท่านนบีเนี่ยเอาออกมาจากกระเป๋าชักออกมาเนี่ยขาวเลยอันที่สามอัลซีนีนความแห้งแล้ง แห้งแรงเนี่ยผลไม้อ่ยอย่างต้นอินทพาร์มเนี่ยมีลูกออกเม็ดเดียวต้นหนึ่งธรรมดามีเป็นพันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหมื่นเม็ดใช่ไหมล่ะอลัลลอฮ์ให้ออ ก, เ, อออกเม็ดเดียวเพราะอะไรอ่ะเพราะฟาโร่เลวคนที่เชื่อฟาโร่เนี่ยเลวหมดไม่เชื่ออลัลลอฮ์ ส่งนบีมูซามาเนี่ยไม่ไม่รับนบีมูซาแล้วต่อต้านนาบีมูซาใช่ไหมอลัลลอฮ์ก็ลงโทษนะทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องเนี่ยสม่ํามเสมอให้มีปัญหาเรื่ อ, อยแต่คนเหล่านั้นน่ะเมื่อเห็นปัญหาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรต่ออะไรหรอกไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สมองใช่ไหม อ้าวหนึ่งให้มีไม้แต่ถือไม้เท้าโยนไม้เท้าเป็นงูคนอีหมานต่อนบะีมูซาวันนั่นเน่ยเยอะเหมือนกันนะอ่าชักมือออกมาแล้วขาวแล้วก็ทำอะไรนะให้มีความแห้งแรงแล้วก็พอผลละไม้มันออกน้อยคนมันก็หิวนี่ไงข้อที่สีอัลบารูน้ำทะเลแห้งเนี่ยโดยการแยกเห็นไม ชีบิตน้องสังเกตเนี่ยาไมต้องให้น้ำน้ำทะเลแห้งละฟาโรจมจมน้ำตายเราอ่านเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วน่จำได้ไหมนะ <_ S 1> พวกซาอดพวกอาหรับพวกมุุริกีนอาหรับเนี่ยไล่นบีมุฮัมมัดออกจากนครมักกะช่หรือไม่ใช่ใช่ผลที่พวกเขาได้รับก็คือหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งหรือปีครึ่งไปทำสงคารามเรียกสงคารามบาดาน่ะ ตายกันเท่าไหร่รู้ไหศัตรูเท่าไหร่สามพันนบีมีสหบสามร้อยแล้วก็ไปทำสงครามกันแพ้ใครแพ้สามพันนะแพ้แล้วก็ตายประมาณเจ็ดสิบกว่าคนพวกหัวหน้าหัวหน้าหนี่ตายหมดต้องการจะบอกว่าใครที่ไล่นบีออกจากบ้านเมืองของนบีจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอ์สุบฮานะหัวตะอลาถามว่าฟาโรเนี่ยไล่นบีมูซา แล้วก็ไล่ใครนะไล่พูกที่เชื่อนบีมูซาแะครับพบันีอิสราเอลเนี่ยไล่ออกพอไล่ออกนี่ไปเจอทะเละนะนบีมูซารอดแต่ฟาโรตายต้องการจะบอกว่าคนที่ไล่นะนบีออกจากบ้านของนบีเมืองของนบีจะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์สุภาณอูบอตาลาเลยน่าคิดครับเอาวันนี้สิ่งที่เราสังเกตนะสังเกตนะ อเมริกาเนี่ยมันทิ้งระเบิดชาวบ้านกันมาเท่าไหร่แล้วล่ะอมเมริกาเวียดเวียดนามยังเท่าไหร่อิรักเท่าไหร่อัฟกานิสถานเท่าไหร่วันนี้ในอเมริกาถูกอะไรนะถูกพายุลมเกือบทุกวันใช่ไหมไม่ใช่ตายที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าจะนึกนะนึกได้ที่เป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดคุรานเนี่ยสอนให้เราคิด แล้วก็ช้ชายปัญญาฉชนเราไม่อยากไปทําลายใครนะครับอย่าไปทําลายก็เรามีหน้าที่อย่างเดียวเผยแพร่อิสลามส่งอิสลามออกส่งของดีๆออกจากตัวเราไะส่งของชั่วออกจากตัวเราอเมริกามันส่งของชั่วออกใช่ไหมเราต้องส่งของดีๆออกจากตัวของเราสอนคนนั้นบอกคนนี้เตือนคนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลูกหลานเราครอบครัวเราญาติพี่น้องเราถ้ามีความสามารถไป คอลละนอื่นอีกแดูริแล้วนะครับพี่น้องเอาตรวลงว่าวัลบาฮีน้ำทะเลแห้งวัดตูฟา น, นตูฟานนี่ยปลว่าน้ําท่วมนะ่ะนี่ข้อที่ห้านะขอดน้ำน้ําท่วมเนี่ยน้ําท่วมเนี่ยผลไม้ก็ตายทรัพย์สมบัติเสียหายหมดเลยต้นต้นไม้ตายหมดแล้วก็วันจาราตะกแดนตะกแตนตแตนี่เต็มไปหมดเลยนะ่ะแล้วก็วันคุมมันเหา เฮานี่นะเต็มศีรษะของคนเนี่ยของของพวกบัีของพวกของพวกฟิรูน่ะเฮาเต็มเลยนอนไม่ได้อ่ะคันยุกยิกยอย่างุกยิ ก, ยกนี่ทั้งหมดนี่เป็นอาซาบทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ในสมัยนบีมูซ่าอัลัยฮิสลามวัดดะฟาเดียแลกกบเขียดเต็มน้ําไปหมดเลยจะตักเจอเขียดจะตักน้ำมาเจอเขียด อต่อมาวัดดัมมิแลว้วก็เลือดในภาชนะของตัวเองเนี่ยก็ไปกลายไปเลือดหมดเลยในยสมัยนูน้นมีอยู่เก้าประการด้วยกันสิ่งทั้งหมดที่อัลลอ์ให้ให้กับนบีมูซานะไม่ใช่ให้กับฟาโรนะผ่านนาบีมูซาเพราะนาบีมูซามาจากอัลลอ์จริงๆอัลลอ์ส่งมาแต่ตั้งมาสอนสาศาสนาจริงๆคนที่แอนตี้คนที่ไม่เชื่อเนี่ยอัลลอ์ก็ ถูกท ด, ทดสอบจากอัลลอ์เนี่ยหลายๆข้อวันนี้ก็เหมือนการเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในนในเมืองไทยเนี่ยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยใครเคยนึกบ้างหรือเปล่าว่านี่เพราะความทรยศฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ของมนุษย์ที่มีต่ออัลลอ์สุบฮานหาูัลอต้องนึกครับพี่น้อ ง, องนึกท่ามุมลินเนี่ยคนที่ฉลาดนะทำดีแล้วต้องนึกว่านี่เป็นอดาบจากอัลลอ์ สุภานาหูวะตาอัลลอลมาอีกท่านหนึ่งในตับซิดอิบนุกะซิอธิบายบอกว่ามีคนยิวสองคนเนี่ยนะมาหาท่านนาบีคนยิวสองคนเนี่ยมาหาท่านนาบีเขาบอกว่าลองไปถามท่านนาบีสิว่ามุฮัมมัดถ้าเป็นนบีจริงเนี่ยจะต้องตอบอะไรได้แล้วเขาคุยกันเองนะ แต่าหากไปหานาบีเนี่ยอย่าเรียกว่านาบีให้เรียกว่ามุฮัมมัดอย่าใส่ตำแหน่งพอมุฮัมมัดได้ยินว่าฉันเป็นนาบีเนี่ยคนยิวมันคุยเองนะเดี๋ยวมันตามันจะลุกกลายเป็นสี่ตาในภาษาฮะดิษพูดว่าสีตาเลยนะเดี๋ยวมุฮัมมัดจะมีสี่ตาแม้แต่ว่าตามันจะพองมันจะดีใจว่าเราเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นนาบีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์คนยิวเนี่ยอันตรายนะ นี่ท่ามูฮัมหมัดไม่เล่านาบีไม่เล่าเราเราเร า, เราไม่รู้ไปถามบอกว่าเก้าประการนั้นมีอะไรบ้างอาถามท่านว่านาบีมูซาเนี่ยนะเอาศาสนามาสอนเนี่ยเก้าประการนั้นมีอะไรบ้างให้ไปถามนาบีมูฮัมหมัดคนยิวสองคนคุยกันสองคนนี่ก็ไปไปถามมูฮัมมัด นบีมูซาเนี่ยเอ า, าศาสนามาสอนเประการนั้นมีอะไรบ้างนี่เหมือนกันคําว่าติสอายิตินเกประการเนี่ยมีสองความหมายหนึ่งหัวยิ่าใของนบีมูซามีอยู่9ข้อหรืออธิบายว่าสิ่งที่นบีมูซาสอนกับพวกเฟรงโงง์9้าประการนั้นมีอะไรบ้างช่วยอธิบายหน่อยนบีจําหมดเลยเรื่องอย่างงี้นบีจําหมด ข้อที่หนึ่งน บ, บีสอนบอกว่ายอวน บ, บีมูซาสอนกับพวกฟาโรสอนว่าอย่าตั้งพาคีกับอัลลอ์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองอย่าใช้จ่ายสูรุยสุรายข้อที่สามอย่าทำซีนาข้อที่สี่อย่าฆ่ากันข้อที่ห้าอย่าเล่นไสยศาสตร์อย่าไปหาหมอดู ข้อที่หกอย่ากินดอกเบี้ยน่าจะทศสมัยนบีมูซานี้อยู่แล้วดอกเบี้ยอย่ากินข้อที่เจ็ดเนี่ยอย่าใส่ร้ายผู้หญิงผู้หญิงก็อยู่ที่บ้านน่ะก็เป็นภรรยาก็อยู่ที่บ้านเนี่ยอย่าไปใส่ร้ายเขาข้อที่แปดอย่าหนีสงครามเห็นไหมต้นสมัยนบีมูซาแล้วข้อที่เก้าเนี่ย วันเสาร์ในห้ามจับปลาก็อย่าจับปลาถามว่าคนยาคูทีเนี่ยมันเชื่อนบดุลโมฮัมห่าไม่เชื่อเลยไอ้อย่างวันเสาร์เขห้ามก็ห้ามจับปลามันทําไงมันเอาลอบไปวางเอาไว้ในวันเสาร์แต่มันไม่จับมันเอาลอบไปวางไว้พอปลาเข้าวันอาทิตย์มันยกเนี่ยนะพวกหัวหมอทั้งหมดฉะนั้นคนเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะทรยศ ก่อตามคำสั่งของอัลลอฮ์แม้แต่พวกเราวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะอัลลอฮอักบตร์่านข้าข้อที่นบีมูซาสอนให้กับพวกบันิอิสรอเอลนี่นะครับเรื่องดีๆหมดเลยเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดสอนเราวันนี้นนอาต่อมาครับ แล้วก็ยิวสองคนเนี่ยที่มาหานาบีมุฮัมมัดนี่นะนบีก็ถามบอกว่าพอนาบีตอบจบใช่ไหมเก้าข้อเนี่ยมันมาจูบที่มือนาบีแล้วก็มาจูบท้านาบีมาหอมที่มือแล้วก็หอมที่เท้าแต่ที่พวกเราก็ ถ้าจะหอมมือคนนี่นะมันก็หอมได้ก็ต้องดูเขาเป็นอุลมาจริงจริงนี้ก็หอมได้องมันดัตงเรื่องฮะเบว่าก็ล่ะนักชาตดูอันนากรนบียุนชายสองคนนี่พูดว่าเราปฏิญาณว่าท่านนี่เป็นนบีนะ นบีถามบอกว่าพระมายัมนาวกูมาอันตัดตาบีอารีทำไมคุณสอง ทุกคนนี่ตอบว่านบีดาวุฒเนี่ยขอดัอาขอดัอาว่าหลังจากฉันเป็นนบีแล้วเนี่ยตระกูลเนี่ยหลังจากนบีแล้วให้มีนบีมาเรื่อยๆหลังจากนบีดาวุฒจบไปแล้วนบีขอตัอาว่าให้มีนบีมาบ่อยๆมาเรื่อยๆว่าอินนานักชา ทั้ตสองคนนี้พูดว่าเรากลัวถ้าหากเรารับอิสลามเนี่ยคนยิว ดานายาฮูดเรารู้ว่วาทหารเรารื่องมูฮัมหมัดคนยิวก็จะฆ่าคนยาฮูดเนี่ยอร่อยแล้ว <c oughs> แต่สมัยนบีแล้วนะ 1,400 กว่าปีเนี่ยนะใครที่รับอิสลามเนี่ยเขาเกรียดหมดเกลียดหมดอมเอาต่อมาอายาที่102 โค้ดละกอดละกดอาลิมตะมาอ๋ออ่านยังแป๊ไม่หมดฟัสอัลบานีอิสราอลดังนั้นจงถามวงวานของอ uh ิสราเอลเรื่อง uh huh. ที่นบีมูซามาสอน9กรายการเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ลองถามพวกบานีอิสราเอลดูอิร uh ์จาฮุม ja ah um. เมือ aw, ่อมูซามายังพวกเขาต้องนึกแนะนึกถึงประวัติศาสตร์ฟาโคลลลาหูเฟรา ו เมื่อมูซามาที่อัลลอฮ์ส่งมาหาพวกบรรดอิสรออินฟากคลลลาหูเฟรา ון เฟรา ון เป็นศัตรูกับนบีมูซาเนี่ยพูดว่ายามูซาพูดกับฟากคลลลาหูเฟรา ו มูซามายังพวกเขาฟฟรโนได้พูดกับมูซาว่ามูซาเอ๋ยอินนีละอุ น, นูกะมัสฮูรออิฟารุพูดเองนะแท้จริงฉันคิดว่ายามูซามัสฮูรอท่านนี้นะถูกเวทมนต์อย่างแน่นอนผู้ผีเข้าคือมองนบีเนี่ยไม่ได้มองเป็น คนได้รับความรู้อันบริสุทธิ์จากอัลลอฮ์มาสอนแต่มองเป็นถูกผีเข้านี่นบีมูซ่าถูกตําหนิจากประชาชนวันนี้นบีมุฮัมมัดถูกตําหนิจากประชาชนสามเรื่องนะหนึ่งถูกผีเข้าสองเป็นบ้าสามถูกอะไรนะผีเข้าไสยศาสตร์ หมอดูอเป็นเป็นเป็นเป็นหมอดูเป็นสายยาศาสตร์เป็นคนบ้านบีถูกตาหนิจากประชาชนเนี่ยวันนี้พวกเราคนที่เรียนสุนนะเนี่ยคนที่เรียนฮะดีสเนี่ยเราก็เอาฮะดีสมาเรียนมาสอนมาปฏิบัติในหมู่บ้านกับครอบครัวเนี่ยก็ถูกตาหนิจากพวกเราคนเองนี่แหละพวกอะไรวะฮบีคอมูดออลลอฮฺอักว นั่นไม่ต้องไปว่าใครเลยนะเอาถ้าจะเรียนถ้าจะรู้เรื่องสุนนะนบีต้องเรียนอะไรเรียนฮะดีสเพราะวิชาฮะดีสนะเป็นอาสาสุดๆ น, นะเป็นรากฐานของสุนนะของท่านนาบีวันนี้เราไม่ถึงอัลลอฮ์แน่ๆถ้าไม่เอาสุนนะนบีมูฮัมหมัดคนในยุค ข, ของนบีมูซาถ้าไม่ปฏิบัติตามมูซาไม่ถึงอัลลอฮ์สุภาหน้าอัลลอตาล่แต่ยุคเราเนี่ย ถ้าไม่เอานาบีมุฮัมมัดมาเป็นแบบไม่เอาสัฮาบานาบีมาเป็นแบบไม่ถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหุวาตาแหละเอาต่อมาอายะที่หนะนึ่งรอยเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสองอ่านยังใช่ไหมอ่านนี่อนนเอา้าหมดเวลายังมีหน่อยเอา้าเราก็จะอาลิมจะก็ล้วเราก็ดอาลิมจะเขามูซาเนี่ยพูดว่าเราก็จะอาลิมจะ โดยแน่นอนยิง่งท่านเนี่ยย่อมรู้ดีว่ามาอันซาลาฮูเลอิลารบบุษมาวะติวัลอาร์ิไม่มีผู้ใดประทานสิ่งเหล่านี้หมายถึงเก้าข้อที่ผ่านมาเนี่ยฟาโรนารูด้ดีนะอิลารบบุษมาวะติวัลอาร์ิ นอกจากพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินเท่านั้นแหละทําไมนบีมูซาจงเอ่ยว่ารับบุษมาว่าที่ว่าพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินเอย่ยทําไมตรงนี้เวลาคุยกับฟาโร่ฟาโรนะ่คุณนะรู้ดีว่าสิ่งที่ฉันนำเอาม า, ม า, มาเป็นมุอาจิษาตมาแสดงให้คุณเห็นนี่ยม า, มา นำมาอธิบายแต่อลัลลอฮ์ส่งมาจริงๆเก้าข้อเนี่ยไม่มีใครส่งได้หรอกนอกจากพระผู้อาภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินทําไมเออชั้นฟ้าและแผ่นดินเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะคนเนี่เชื่อฟาโรห์แล้วนะแต่ยังเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้ามีแค่สององค์ฟาโรห์หนึ่ง และอีกองหนึ่งก็องชันชันฟ้าดูแลชันฟ้าและอีกองคหนึ่งดูแลแผ่นดินคือว่ามีอะไรมีเทวรูปอยู่สองรูปใหญ่ๆ่ที่อียิปต์วันนั้นน่ะนะองค์นี้ดูแลชันฟ้าและองค์นี้ดูแลแผ่นดินฉะนั้นอัลลอฮ์จะประทานอัลกุรอานประทานเรื่องอย่างนี้ในผ่านนบีมูซ่าเ ล, เล่าได้ฟังว่าอิลลารับบุสสมาวะติวะล้อร์ดีบั่าอิร นอกจากพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่มีใครให้ได้นอกจากพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินเอ่ยสองเรื่องนี้เพราะคนวันนั้นเชื่อว่าไม่มีอัลลอ์แต่มีอะไรนะมีพระเจ้าอื่นๆอย่างน้อยอีกสององค์นอกจากฟาโรห์แล้วยังมีอีกสององค์คอยดูแลแผ่นดินและดูแลชั้นฟ้าอัลลอ์ก็เลยสอนเรื่องนี้เป็นการเตือนฟาโรห์ให้รู้ว่าไม่ใช่นะ อธิบาลผู้ยิ่งใหญ่ก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาอูบานะบาซ้อิลเป็นพยานเพื่อเป็นพยานนว่อินนีลอาจุนุกัยฟิร้าุนมัสบูรอแท้จริง nu, และอาจุนุอาุนูแปลว่าคิดคําว่าคิดเนี่ยอันที่นี้อธิบายว่าเป็นเรื่องจริงนะ เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่คิดนะเออจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่ใช่คำว่าคิดจะหมายถึงคุณเนี่ยจะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนนี่อลรรท์เล่านะว่าอินนีลอาซุนนูกะและแทจริงฉันคิดว่าท่านฟิรโรห์เนี่ยมัสบูรอเป็นผู้หายานะอย่างแน่นอนที่คุณต่อต้านนาบีมูซาเนี่ยนะคุณจะต้องได้รับความหายานะอย่างแน่นอนเหมือนกับ พวกมุชรีกินที่อัลลอฮ์เล่าคำพีเศษอ่านให้นบีมูฮัมห uh มัดฟังนี่นะต้องการที่จะให้มูฮัมหมัดรู้ด้วยว่าคนที่ต่อต้านนาบีมูฮัมหมัดนั่นถูกลงโทษจากอัลลอ์ทุกคนพูดเรื่องนบีมูซานี่อัลลอ์เล่าเรื่องนบีมูซาให้ใครฟังนะให้นบีมูฮัมหมัดฟังและพูดว่าไงนะละอุบอิ น, นี่ละอัลลุนุกัยาฟิร์งาวุมัสบูรอ แต่แท้จริงฉันคิดว่าเฟืรองโนั้นเฟืรอูงเอ้ยเป็นผู้ไหายาณะอย่างแน่นอนเป็นการเตือนให้นบีบุหมารู้ว่าญาติของนบีมุฮัมมัดหรือคนในยุคเดียวกับ น, นบีมุฮัมมัดหรืออุห ม, มะของนบีมุฮัมมัดที่ไม่ปฏิบัติตามมุฮัมมัดก็ถูกลงโทษเหมือนพวกบานีอิสร อ, อีนที่ไม่เอานบีมูซาอะลัยกิสซาลามเหมือนกันนบีได้กำลังใจอ๋อ นบีเราสงสารสงสารอุ ม, มาของนบีทุกคนนบีขออุมาตลอดอยลารออุมาตีอุมาตีอุมาตีโอล l l a h อย่าลงโทษเขาเลยเพราะเป็นอุ ม, มาของฉันแล้วก็นบีก็เล่าไว้เยอะในฮะดิษนบีเนี่ยในวันกิยมามะเนี่ยถามว่านบีมงค์ลหมาดเนี่ยจะรู้จักพวกเราได้ยังไงคําตอบเรารู้แล้วคือร่องรอยของการ อาบน้ําน้ำหมาจะเราอาบน้ำน้ำหมาตุนวันวันละห้าครั้งนี่นะนี่แหละเป็นเครื่องหมายทําให้ น, บ, น, น, นบีนั้นเห็นหน้าเราจําได้ว่า น, นี่พวกของเราแล้วก็นบีกจ็จะเชิญบอกอ้าเข้ามาเข้ามามากินน้ํนานบีจะตักน้ําให้ขันน้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยเท่ากับดวงดา บ, บนทองฟ้าเนี่ยนับจนวนไม่พ้นเลยขันน้ําเต็มไปหมดเลย บางคนก็กินน้ำเพราะนาบีตักน้ําให้อึกเดียวแค่อึกเดียวเนี่ยนะอิ่มเลยตอนนี้บางกลุ่มเนี่ยมาลัยกากั้นไม่ให้ข้าวไม่ให้ข้าไม่ให้เข้ า, ขานาบีถามว่าไปกั้นเขาทำไมอ่ะไปกั้นเขาทำไมมันพวกชั้นน่ะรอยอ้นำนำมามน้ําน้ำาจังมีอยู่เลยมาลัยกาต่อเป็นไงรู้ไหมนบีไม่รู้หรอกหลังจากนาบีตายไปแล้วผู้ที่ทาบิดอาเต็มเลย ฉะนั้นไม่ให้เข้าออกไปออกไปออกไปใช่ไหมมลัยกากันไม่ให้เข้าไม่ให้ไปกินน้ำโดยตักนบีไปดื่มน้าของนบีไม่ให้เข้าวเพราะกันว่าพวกนี้ทําบิดาทำของที่นบีไม่ได้ทําเนี่ยกันเอาไว้ไม่ให้เข้าวไม่ให้ข้าวไม่ให้เข้าเรากลัวมั้งกันเราจะถูกกันหรือเปล่าไม่รู้ขอดูอาตัดรออย่าให้มลัยกากันเราเลยใช่ไหมฉะนั้นงานที่เป็นศาสนา ต้องเป็นศาสนาในวันที่นบีมีชีวิตอยู่ถือสัฮาบ้านบีปฏิบัติวันนี้ก็เป็นศาสนาเหมือนกันถ้านาบีไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ใช่ศาสนาวันนี้เราจะมาทําเป็นศาสนาก็ไม่ได้ด้วยฉะนั้นมาณาอะลรที่วะอัลชาบีของที่นบีปฏิบัติเป็นศาสนาและบรรดาสัฮาบา้านท่านนาบีปฏิบัติเป็นศาสนาถ้าเป็นศาสนาวันนี้ก็เป็นศาสนา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออัลเยอมาอัคมันทุลกุมวันนี้ศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แล้วนบีก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยอโ ล, ลปทาอันกรอลงมารับรองว่าสิ่งที่นบีนำเอามาสอนนั้นสมบูรณ์แล้วครบแล้วไม่ต้องไปต่อเติมอะไรอีกต่อไปนบีมุฮัมมัดกับนบีมูซามือ้อ คนที่เชื่อน บ, บีมูซาปลอดภยัยไหมปลอดภยัยแล้วคนที่เชื่อน บ, บีมูฮัมมัดก็ปลอดภยัยแล้วคนที่ไม่เชื่อน บ, บีมูซาเนี่ยถูกลงโทษถามว่าตายแล้วจบไหะสรุปแล้วตายแล้วไม่จบนะอัลฟาโรตัวเนี่ยเป็นมัมมี่เอาไว้ใช่ไหมแล้วคุณอานสอนยังไงอัลยามานูนัยีกับบบาดานิกะวันนี้เราเก็บร่างของฟาโรเอาไว้เพียงแต่ร่างนะ่ะไม่ให้เน่า แล้วเน่าไหมไม่เน่าเพื่อเป็นอายะเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องหมายกับคนรุ่นหลังเนี่ยคุณ พ, พวกเรานี่แหละไปเห็นนี่งภาพศพฟาโรอยู่ตรงในแค่นี้ท่านอย่าฝืนคำสั่งของอัลลอ์เราต้องยอมรับคำสอนที่ผ่านอัลลอ์ผ่านนาบีมุฮัมมัดมาสอนให้เราเราก็ยึดเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติเป็นชีวิตประจาวัน จะจะถูกเรียกว่าคณะนูคณะนี่ก็เชิงไม่มีปัญหาเราก็บางคนนะ่ะเด็กเรียนตับซี้คูอ่านเยอะๆนะเด็กมันจะเพียนให้เรียนควจะเพียนหร อ, อมไม่ไป็นไรนะครับก็ต้องเรียนหนังสือกันต่อไปต้องอ่านคูอ่านนี่จนกว่าจะตายแล้วคูอ่านมีข้อมูลเยอะและอายาต่อไปเนี่ยอายาต่อไปอธิบายยังไงจะแม่ใจอ่านใช่ไหม อ y a ต่อาไปพูดอย่างนี้ฟาโรด้ยอาญาสทฟิสซาฮุมินอลอาร์ฟาโรต้องการจะไล่นบีมูซาแล้วก็บนีอิสราอีนออกจากเมืองเหมือนกับชาวมักกะไล่นบีมุฮัมมัดออกจากมักกะแต่เป็นไงฟาอักรอกนาหูเราได้ให้ฟาโรจมน้มว่ามัมมาอหูแล้ว คนที่อยู่กับฟาโรห์ทั้งหมดจะมีอันทั้งหมดเลยจมน้าตายหมดเลยเพราะอะไรนะเพราะไล่นบีมูซาออกจากประเทศอียิปต์เพราะบ้านเกิดของนบีมูซาอยู่ที่ไหนอยู่ที่อียิปต์บ้านเกิดของนบีอามร์อยู่ที่นครมั ก, กะท่านคนที่ไล่มูฮัมหมัดออกจากมะ ก, กะไปอยู่ที่นครมาดีนะถูกศัตรูแต่ลงโทษคนละอย่างที่สังเกตว่า ฟาโรถูกลงโทษ ด, ด้วยการจมน้ำตายพวกอาหรับมุชลิกินไล่นาบีออกเยมากาถูกลงโทษตายด้วยการทําสงครามกับใครกับนาบีมุฮัมมัดนบีมีสมาชิกเท่าไหร่สามรอยอันนั้นมีสามพันแพ้แล้วก็ตายตั้งเจสิบกว่าคนเราถูกจับเป็นเชลยนั่นก็แพ้แล้วก็ตายในสงครามด้วยการลงโทษจากอัลลอฮ์สุภาณาวะตาลาเป็นข้อเตือนใจทักงหดเลย سبحان الله وما بحمده أشول الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ب س ل الله عليه ورحمته وبركاته